สัมผัสสยองลบหลู่เจ้าทีจนได้เรื่องสวัสดีครับแอดมินและแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนวันนี้เรามีประสบการณ์จะมาแบ่งปันให้ฟังเราชื่อวัดทอปปัจจุบันเป็นเนนจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เราเป็นคนมีสมัมผัสพิเศษมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไปที่ไหนก็สมัมผัสได้ถึงวิญญาณจนเป็นเรื่องปกติแต่ที่เจอเป็นตัวเป็นตนส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบข้างมากกว่าเพราะเมื่อเราไปที่ไหนก็เหมือนจะเป็นตัวเสื่อให้เขาสามารถปรากฏตัวออกมาได้เรื่องที่เราจําได้และไม่มีทางลืมได้เลยก็มีอยู่เรื่องหนึ่งพอจะเป็นสิ่งเตือนใจว่า ถ้าเราไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องสื่อออกมาทั้งหมดก็ได้เดี๋ยวจะเจอดีเมื่อปีพศ2 5 5 6ที่ผ่านมาตอนนั้นเราอยู่ชั้นมอสทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายกรรมฐานซึ่งเป็นการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมกันทุกปีแล้วปีนี้ก็ถึงปีของเราทางโรงเรียนได้จัดโครงการที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด และค่อนข้างอยู่ในป่าลึกพอสมควรเมื่อรถของโรงเรียนไปถึงเราก็พากันจัดแจงที่นอนให้เสร็จโดยเร็วเพื่อจะเข้าไปรวมตัวและจัดเวรวาระในการดูแลสถานที่ที่ต้องรับผิดชอบโดยการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ต้องกางเต็นท์ในป่าห่างกันเป็น10เมตรแต่เชื่อเธอว่าไม่มีใครอยู่ห่างกันถึงขนาดนั้นหรอก พอกลางเต็น์จัดแจงข้าวของเสร็จเราก็เข้าไปรวมตัวกันเนื่องจากพวกเราได้แบ่งกลุ่มมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนแล้วจึงทำให้การแบ่งว่ากลุ่มไหนจะรับผิดชอบส่วนไหนก็เป็นเรื่องที่ง่ายกลุ่มของเราได้ดูแลในส่วนของด้านหน้าวัดซึ่งติดกับที่กลางเต็น์พอดีระหว่างที่เรากำลังทำความสะอาดบริเวณที่พักอยู่นั้น ก็เหลือไปเห็นเพื่อนของเรามันกำลังทำอะไรไม่รู้อยู่ตรงหน้าสารกลางป่าสักพักมันก็สะดุ n งเหือกแล้วรีบวิ่งกลับเข้ามาอย่างทีพักอย่างกับกลัวอะไรสักอย่างเราเองได้ความเป็นห่วงเพื่อนจึงเข้าไปถามว่าเป็นอะไรแล้วมันก็บอกว่ามิก้ตอนกูเดินเล่นอยู่ในป่าก็ไปเห็นสารตั้งหยุดตรงริมน้ำ กูเห็นว่ามันเป็นสารเก่าๆก็เลยลองเดินเข้าไปดูแต่ไม่รู้อะไรมันทำให้กูรู้สึกไม่ชอบก็เลยพูดดาวไปว่าสารอะไรวะเก่าก็เก่าจะพังแหละไม่พังแหละแล้วทำไมไม่ทุบทิ้งไปเลยวะเกยกาคนที่เขาจะเล่นน้ำกันเท่านั้นแหละกูก็เห็นจจาเลยเว้ยมีชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่กลางน้ำกลางน้ำเลยนะมึง ไม่มีอะไรเป็นฐานให้ยืนได้เลยหน้าตาแกดูกโกรธมากแล้วยังทำท่าเหมือนจะตรงเข้ามาหากูเห็นแบบนี้กูก็ไม่อยู่แล้วเว้ยก็เลยวิ่งเข้ามาในเต็นท์อย่างที่มึงเห็นนี่แหละพอได้ฟังสิ่งที่เพื่อนเล่าเราก็ขำแล้วบอกกับมันไปว่าสมควรแล้วล่ะปากหมาดีนักนี่ถ้าคืนนี้เขาไม่มาหามึงนะพรุ่งนี้มึงมาเผาเต็นท์กูได้เลย เพื่อนเรามันถึงกับแสดงอาการวิตกให้เห็นแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะถึงตอนเย็นทําวัดสวดมนต์เสร็จครูก็ปล่อยให้นักเรียนมาพักเราก็รีบเข้าเต็นท์เลยเพราะเพลียมากและด้วยที่วันนี้ครูจัดเต็มมากในการปฏิบัติกรรมฐานทําอย่างกับว่านักเรียนเป็นพระกรรมฐานมา3 4 0ปีอย่างนั้นแหละ ทำให้เราลืมเรื่องเมื่อตอนหัวค่าไปเลยตอนตีสามเราต้องตื่นขึ้นมาเตรียมตัวสวดมนต์เช้าก็เลยไปปลุกเพื่อนทุกคนที่นอนอยู่แล้วเราก็ไปที่เต็นท์ของเพื่อนที่มันไปท้าทายสารเห็นมันตื่นอยู่เลยถามว่าเป็นยังไงเมื่อคืนหลับสบายดีไหมแต่ดูแล้วท่าทางคงจะไม่ดีสินะนอนต่างที่ แอบยังมานอนกลางดินแบบนี้คงเจ็บหลังล้สิท่าเพื่อนมันหันมามองหน้าเราแล้วก็พูดว่ากูยังไม่ได้นอนเลยกูจะหลับแล้วล่ะทีแรกแต่กูได้ยินเหมือนมีเสียงอะไรกำลังขึ้นจากน้ำสักพักก็มีเสียงเหมือนคนเดินรอบรอบเต็นมันเดินอย่างนั้นทั้งคืนยังไม่พอนะเพราะเสียงเดินวนรอบเต็นกูมันกาลังจะหายไป กูก็ได้ยินเสียงวัวแล้วก็เสียงเกวียนเหมือนขบวนของคนเลี้ยงวัวสมัยโบราณนะ่ะเดินอย่างนั้นจนเพิ่งจะหยุดตอนกูเห็นคนในกลุ่มตื่นนี่แหละพอเราได้ยินแบบนั้นก็เป็นห่วงเพื่อนกลัวว่าจะเป็นอะไรไปหลังจากทํากิจกรรมต่างๆเสร็จเราก็เลยให้มันไปจุดทูบขอขมาในสิ่งที่ได้พูดกล่าวออกไปถึงเรื่องคุณตาในสารจะจบ ไม่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นอีกแต่เรื่องเสียงเกวียนตอนดึกๆ ก, ก็ยังมีมาอยู่ตลอดจนจบโครงการเราจึงได้ไปสอบถามกับคนในพื้นที่ก็ได้ความว่าที่ที่เรากางเต็นท์นอนนั้นคือทางผีผ่านไม่แปลถ้าจะได้ยินเสียงเกวียนกลางค่ำกลางคืนเพราะคนแถวนี้ได้ยินเป็นปกติแล้ว ส่วนสารที่สา Nam ก็ไม่มีใครให้คำตอบเราได้แน่ชัดว่าคนที่อยู่ในสารคือใครและทำไว้นานขนาดไหนแล้วแต่ชาวบ้านก็ไม่ไปลบหลู่ย่างเด็ดขาดเวลาที่มีใครจะเข้าป่าไปหาของป่าก็จะไหว้ก่อนขากรับก็จะหาผลไม้ป่ามาวางไว้ให้ในสารทุกครั้งไม่เคยขาด จนเราคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเจ้าที่ที่ดูแลในสถานที่แห่งนี้ตึกหลอนสนามบินเฮียนสวัสดีครับทีมงานสัมผัสสยองและเพื่อนเพื่อนทุกคนผมชื่อออบวันนี้ผมมีประสบการณ์จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้เจอ ที่สนามบินแห่งหนึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณปี 2,558 ช่วงนั้นผมได้มีโอกาสไปทำงานกับรุ่นพี่คนหนึ่งและได้ไปพักอยู่แฟลตแห่งหนึ่งซึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อแฟลตที่ผมได้อยู่นั้นก็น่ากลัวมากเช่นกันไว้ถ้ามีโอกาสอีกผมจะกลับมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนตอนนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง ที่ผมได้เจอในที่ทํางานของผมเนื่องจากช่วงนั้นผมเริ่มเบื่อบ้านและกําลังหางานใหม่ก็ไปสมัครงานเป็นรอปเอรของสนามบินทิ้งไว้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ถัดมาเขาก็เรียกผมไปสัมภาษณ์จนได้ทํางานที่นั่นที่นี่อาคารหนึ่งกับอาคารสอง ตอนนั้นกำลังพึ่งสร้างและยังไม่เปิดให้บริการโดยอาคารแต่ละหลังจะมีทางเชื่อมเข้าหากันช่วงแรกที่ผมทำงานก็ไม่มีอะไรผิดปกติจนมีอยู่วันหนึ่งซึ่งผมจะได้อยู่ประจำการเพียงคนเดียวที่ชั้นหนึ่งของอาคารสองที่พึ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆแต่ยังไม่เปิดให้ใช้งานอาคารนี้จะมีอยู่สามชั้น และจะมีคนเฝ้าอยู่ชั้นละคนที่มีจำนวนรอปรพอน้อยก็เพราะว่าอาคารใหม่คงไม่มีอะไรให้มาขโมยหรอกครับผมได้ประจำการอยู่ที่ประตูเก้าของอาคารสองช่วงนั้นห้องน้ำชั้นหนึ่งยังไม่เปิดให้บริการปวดชีทีก็ต้องขึ้นบันไดผ่านชั้นสองไปยังชั้นสาม เพราะห้องน้ำเปิดให้ใช้ได้แค่ที่ชั้นสมเท่านั้นแล้วมันก็เป็นห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดแล้วผมเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือของผมทิ้งไว้ที่ชั้นหนึ่งประตูเกที่ไม่กลัวหายเพราะไม่มีใครเข้ามาแถวนี้อยู่แล้วจากนั้นก็เดินขึ้นไปยังชั้นสซึ่งระหว่างทางที่ไปนั้นมันค่อนข้างมืดและเปรี้ยวมาก มีเพียงแสงไฟบริเวณทางเดินขึ้นบันไดเท่านั้นผมก้าวเท้าเดินไปก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของผมที่กระแทกพื้นมันรู้สึกโดดเดี่ยวมากแต่ผมก็ไม่คิดอะไรเพราะเห็นว่าเป็นอาคารที่สร้างใหม่ไม่น่าจะมีอะไรพอผมไปถึงห้องน้ําที่ชั้นสามก็เข้าไปทำธุระเสร็จเรียบร้อยก็เดินกลับลงมายัางชั้นล่าง นั่งอยู่ประจำที่กดโทรศัพท์ดูนันนี่ไปเรื่อยเปื่อยแต่พอผมนั่งอยู่ได้สักพักก็เกิดรู้สึกขนลุกเย็นว่าไปทั้งตัวแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีคนมานั่งอยู่ ร, บรอบๆตัวผมทั้งทั้งที่แถวนั้นไม่มีใครเลยจนผมทนไม่ไหวไม่ถึงห้านาทีต่อมาผมก็ถอดสายชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้น ในขณะที่ผมกำลังจะเปิดประตูเดินออกไปนอกอาคารก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูเบาๆบอกว่าจะไปแล้วหรอไม่มีคนนั่งด้วยเลยมันทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวไม่กล้าที่จะหันไปมองอยังด้านหลังผมวิ่งออกประตูไปอย่างรวดเร็วพอออกห่างจากอาคารได้พอสมควรแล้วผมก็หยุด แล้วหันหลังกลับไปมองก็เห็นว่ามันเป็นแสงสีขาวๆรูปร่างลักษณะคล้ายคนแต่ไม่ใช่คนแน่ๆมันทำให้ผมช็อกมากจนไม่กล้าเข้าไปในอาคารนั้นอีกเวลาผ่านไปจนมีคนมาเปลี่ยนกาในตอนเช้ารอปภคนนั้นเห็นสีหน้าของผมก็ถามว่าเป็นอะไรแต่ผมไม่ได้ตอบกลับไป รีบเดินออกไปจากตรงนั้นเลยเพาะกลับมาถึงห้องผักผมลางหน้าซ่องกระจกดูก็เห็นหน้าของตัวเองซีดไปหมดเพราะกลัวมากผมได้แต่ภาวนาอยู่ในใจว่าพรุ่งนี้ขออย่าให้ได้ไปเฝ้าที่ตึกนั้นอีกเลยแต่ก็เหมือนกับโดนแกลงเพราะวันต่อมาผมก็ได้ไปเข้าการที่ตึกเดิมตำแหน่งเดิมนั้นอีก แต่วันนี้ผมไม่เข้าไปในอาคารแล้วครับเพราะเข็ด จ, จากที่เจอเมื่อคืนเพราะตกดึกผมก็อยากเข้าห้องน้ําอีกแล้วจึงพยายามข่มใจตัวเองรีบวิ่งขึ้นบันไดทําธุระในห้องน้ําอย่างรวดเร็วแต่ขากลับผมไม่ลงทางเดิมแต่ไปลงอาคารหนึ่งระหว่างที่เดินมานั้นก็รู้สึกกลัวอยู่บ้างเหมือนกันพยายามรีบเดินให้เร็ว เพื่อจะลงมาถึงข้างล่างไวๆแล้วก็โชคดีที่ผมไม่เจออะไรแต่พอผมลงมาถึงข้างล่างแล้วก็เจอเข้ากับหัวหน้าพอดีหัวหน้าสั่งให้ผมเดินตรวจภายในชั้นของผมผมต้องทําใจอยู่พักหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เดินเข้าไปตรวจตามคําสั่งของหัวหน้าผมเดินมาเรื่อยๆใจก็คิดนั่นนี่ไปเรื่อยเปื่อย จนเดินมาถึงประตู9ของอาคารสองซึ่งเป็นจุดที่ผมจะต้องประจำอยู่ก็ไม่มีอะไรผมเดินตรวจต่อไปเพราะไม่อยากหยุดตรงจุดนี้ผมเดินไปยังประตู8ของอาคารหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปอีกประมาณ200ถึง300เมตรแต่เมื่อผมเดินผ่านประตูกไปได้เพียงไม่กี่เมตรก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรอยู่ที่ด้านหลัง จึงหันหลังกลับไปมองแล้วสิ่งที่ผมเห็นหยุดตรงหน้าก็ทำให้ผมถึงกับชอ็อกเพราะผมเห็นคนประมาณห้าคนกำลังนั่งอยู่ที่พื้นก้มหน้าอยู่ในความมืดที่มีแสงไฟสลัวๆเพียงเท่านั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนมานั่งอยู่ตรงนี้และเมื่อกี้ผมก็เดินผ่านตรงนั้นมาแต่ก็ไม่เห็นอะไร หรือมีใครอยู่สักคนในขณะที่ผมกําลังตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นกลุ่มคนที่นั่งหยุดตรงนั้นก็ค่อยค่เงยหน้าขึ้นแล้วหันมามองทางผมผมตกใจมากรีบวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนขาผมเกี่ยวกันล้มลงแขนกระแทกพื้นอย่างแรงจนแทบจะหักแต่ด้วยความกลัวผมรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งต่อไป จนออกมาจากอาคารได้แล้วผมก็กลับไปยังห้องพักของผมเลยแขนผมเครียดขัดยอกไปหลายวันจนผมไม่ได้ไปทำงานพอแขนเริ่มหายดีขึ้นมาบ้างแล้วทางบริษัทคงรู้ว่าผมขาดงานไปหลายวันก็โทรมาตามแล้วก็บ่นด่าที่ผมไม่ไปทำงานหลังจากวันนั้นผมก็ออกจากแฝด แล้วไม่ไปทำงานที่นั่นอีกโดยที่ไม่ไปลาออกอีกด้วยสมผัสสยอง